องวิเศษกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในเมืองเล็กๆที่ห่างไกลยังมีครอบครัวของ3ามพี่น้องอาศัยอยู่ชื่อของพวกเขาก็คือแจ็คเลโอและปีเตอร์แจ็คเป็นพี่คนโตเป็นคนทำขนมปังเขาสามารถทำขนมปังและเค้กที่มีรสชาติที่อร่อยที่สุดในเมืองผู้คนทั่วทั้งเมืองต่างมาซื้อมันน้องคนที่สองเลโอเขาเป็นครูที่ฉลาดมากๆเด็กๆที่เขาสอน ต่างก็รักเขาเป็นอย่างมากปีเตอร์น้องคนเล็กเขาไม่มีพรสวรรค์นในด้านใดเลยเขาเป็นคนใจดีและเป็นสุภาพบุรุษแต่เขาก็รู้สึกเศร้าใจมากเมื่อเขาได้เห็นงานของพี่ๆเขาพี่ชายของเขาใจร้ายกับน้องมากพวกเขาจะล้อเลียนน้องอย่างไร้ปราณีเสมอเพราะพวกเขาคิดว่าตัวเองดีกว่าน้องพวกเขาไม่เคยใจดีกับเขาเลยแม้แต่ครั้งเดียว โอ้นี่อะไรกันเอ่อซุปไงพี่ผมทำแบบที่พี่ชอบเลยนะซุปงั้นเหรอน้ำแบบนี้เหรอที่เรียกว่าซุปฉันไม่ชอบเจ้าสิ่งนี้ขนมปังที่ดีของฉันเสียเปล่ามากในน้ำหัวหอมเข็มๆนี่เอามันออกไปโมโหจังเลยแจ็เป็นคนทำขนมปังที่ดีที่สุดฉันเป็นครูที่สูงส่งอย่างที่แกรู้ แล้วส่วนแกละ่ะทำอะไรได้บ้างเออผมผมเออแกทำซุปยังไม่ได้เลย <c oughs> แกเป็นน้องชายของเราจริงเหรอเนี่ยฉันไปแล้ะปีเตอร์เก็บกวาดสิ่งที่แกทำด้วยอะไรนะเดี๋ยวสิครับแล้วซุปโอ้แกก็จัดการเองให้หมดหม้อ ก, กันแล้วกันไอ้น้องชายไร้ประโยชน์ ปีเตอร์ที่น่าสงสารเจ็บปวดมากเขานั่งลงและไม่พูดอะไรวันรุ่งขึ้นปีเตอร์เข้าไปในป่าและนั่งลงเงียบๆ เ, เขาคิดเกี่ยวกับชีวิตของเขาว่าทำไมพี่ชายต้องหยาบคายกับเขาด้วยผมทำอะไรได้บ้างนะพี่ชายทั้งสองทำอะไรก็ดีไปหมดผมไม่มีประโยชน์กับคนอื่นเลยเหรอกำลังบ่นอะไรอยู่เหรอเจ้าเด็กน้อยโอ้ ชาชาราเดินเข้ามาหาปีเตอร์และนั่งลงข้างเขาอย่างช้าๆเออกำลังบ่นอะไรอยู่ล่ะเจ้านมเออไม่ไม่มีอะไรหรอกครับผมแค่คิดออกมาเสียงดังไปหน่อยถ้าเรื่องข้องนายไม่สำคัญอะไรงั้นก็ฟังเรื่องฉันสิมีหลายเรื่องเลยที่อยากจะบน่นโอ้เช่นอะไรหรอครับ ก็แจ๊คคนทำขนมปังไงขนมปังของเขาแย่มากแข็งแล้วก็เหม็นกลิ่นยังกับเท้าของฉันยังไงอย่างนั้นเลยผมว่านั่นไม่ใช่ขนมปังของเขานะครับผมเคยชิมขนมปังของเขามันอร่อยและหวานเหมือนกับเค้กเลยโอ้อยังงั้นเหรองั้นก็ฟังอีกเรื่องนะฉันได้พูดกับครูคนหนึ่งเมื่อวาน ที่แรกเนี่ยว่าเขาฉลาดแต่พอได้คุยเขาหน้าเบื่อมากฉันเสียใจแทนเด็กๆที่เขาสอนจริงๆเชื่ออะไรนะโอ้ใช่แล้วเลโอเลโอผมได้ยินว่าเขาเป็นครูที่ดีที่สุดนักเรียนของเขารักเขามากเลยผมคิดว่าคุณน่าจะจำผิดคนนะอืมตลกจังพี่ชายของนายทํากับนายอย่างโหดร้าย แต่นายก็ไม่พูดเรื่องร้ายๆให้เขาเลยก็พวกเขาเป็นเดี๋ยวก่อนนะคุณรู้ได้ยังไงว่าพวกเขาเป็นพี่ชายผมทันใดนั้นชายชราขี่บน่นก็ได้กลายเป็นนางฟ้าที่งดงามพร้อมกับเสียงที่สดใสราวกับคริสตัลโอ้นี่คุณคุณเป็นใครฉันเป็นนางฟ้าใจดีฉันเห็นนายมาหลายครั้งแล้ว และสังเกตว่านายโดนล้อเลียนอยู่เสมอเลยนะสิโอ้คุณรู้มาตลอดเลยเหรอใช่แล้วล่ะเอ <c oughs> ปีเตอร์ให้ฉันช่วยนายนะโลกนี้นะ่ะช่างกว้างใหญ่หากนายไม่มีความสุขที่นี่ทําไมนายไม่ออกจากบ้านและพยายามทําบางอย่างเพื่อตัวเองแต่ผมจะไปที่ไหนได้แล้วผมจะไปทําอะไรฉันจะบอกนายให้เมื่อนายเริ่มออกเดินทาง นายจะพบกับชายคนหนึ่งนอนหลับใต้ต้นไม้เขามีหงส์ที่สวยงามผูกไว้ข้างๆเขานายต้องไปปล่อยมันและพามันไปด้วยเพื่อนร่วมทางที่ดีอย่างนั้นเหรอไม่ใช่แค่ดีนะแต่มันวิเศษไปเลยล่ะเมื่อผู้ใดเห็นมันเขาจะอยากจับขนนุ่มๆของมันและเมื่อเขาทําให้ตะโกนออกมาว่าจับเอาไว้หงส์น้อยและพวกเขาก็จะติดอยู่กับมัน ทำแบบนี้ผู้คนจำนวนมากจะติดด้วยกันแล้วนายนะ่ะต้องไปที่พระราชวังไปที่นั่นนายจะได้พบกับโชคชะตาเออทำไมคุณถึงขอให้ผมทำในสิ่งประหลาดแบบนี้เมื่อถึงเวลานายจะรู้เอง <c oughs> และจำในสิ่งที่ฉันบอกให้ดีละ่ะโอ้และเมื่อนายทำเสร็จแล้วบอกหงว่าปล่อยพวกเขาไปหงแสนสวยแล้วทุกๆคนจะเป็นอิสระและก่อนนะปีเตร์ นางฟ้าโบกไม้เวทมนต์และหายไปในอากาศตอนนี้ก็สายมากแล้วปีเตอร์รีบกลับไปที่บ้านทำอาหารเตรียมไว้ให้พี่ชายก่อนที่พวกเขาจะกลับมาเช้าวันต่อมาในตอนเช้าตรู่ปีเตอร์ออกจากบ้านโดยที่ไม่ปลุกพี่ของเขาเขาเดินไปเป็นเวลานานจนพระอาทิตย์เริ่มทอแสงในระหว่างทางก็เป็นดังที่นางฟ้าพูดเขาพบกับชายตัวใหญ่ที่กาลังหลับอยู่ใต้ต้นไม้ และสิ่งที่ผูกอยู่ข้างๆก็คือหองที่งดงามเกินกว่าท sort of ี่ปีเตอร์จะเคยพบเห็นฮะชายคนนี้หลับลึกมากน่าจะเอาหงมาได้สบายๆเช่นนั้นเขาจึงแก้มัดเชือกและนำหงออกไปอย่างเงียบๆ ในไม่ชา้าเขาก็มาถึงอาณาจักรแห่งหนึ่งเขาอุ้มหงอยบนถนนและมองสิ่งมหัศาจรรย์รอบๆตัวขณะที่เขากำลังเดินไปเขาพบกับชายคนหนึ่งจ้องมาที่หงอยใหไอ้นมหงนี่สวยมากท่านขอให้อาหารมันได้ไหมโอ้อได้แน่นอนสิงั้นก็เอาเลยชายคนนั้นสัมผัสหงได้ความดีใจและเริ่มลูบมันจับเอาไว้เจ้าหงน้อย และทันใดนั้นชายคนนั้นได้ติดอยู่กับหงเขาไม่สามารถดึงมือออกได้แม้ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ตามนี่ทําไมมือฉันถึงติดกับหงส์นี่ทำไมฉันเอามือออกไม่ได้มันเป็นเวทมนต์นั้นเหรออ๋อช่วยด้วยปีเตอร์ยิ้มให้ชายคนนั้นแล้ว เ, เริ่มเดินต่อไปชายคนนั้นร้องให้คนช่วยผู้คนเริ่มมองมาหนึ่งในพวกเขา เป็นคนกวาดปล่องไฟเธอเห็นชายที่ติดกับหงและเข้ามาช่วยเขาช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีนี่จับฉันไว้ฉันจะดึงนายออกมาเองเมื่อปีเตอร์มองเห็นเขาตะโกนออกมาว่าจับเอาไว้เจ้าหงน้อยและตอนนี้คนกวาดปล่องไฟได้ติดอยู่กับชายที่โมโหนี่มันอะไรกันเนี่ยปล่อยฉันนะ ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้เลยโอ้ยหยุดตีฉันด้วยไม่กว่าธงกบกได้แล้วพวกเขาทั้งหมดเดินไปตามท้องถนนด้วยกันผู้คนที่เห็นต่างหัวเราะออกมาตามทางต่อมาพวกเขาก็ได้พบกับตัวตลกบนล้อจั ก, กรยานฮ่าๆๆฉันเคยเห็นลูกช้างเดินตามหางแม่ว่าแต่ทําไมคุณถึงเรียนแบบมันละ่ะหยุดหัวเราะได้แล้ว ่วพกเราทีในขณะที่เขากำลังยื่นมือมาแตะเธอปีเตอร์ได้ตะโกนขึ้นจับเอาไว้เจ้าหงน้อยอ๋ออออ้าวยอ้อยอยอ้อยปล่อยฉันปล่อยฉันฉันจะตกแล้วนี่ฉันไม่ได้จับนายไว้นะโอ้หคุณน่ะแหละแกลงฉันปล่อยฉันเราไปนะปล่อยลงไปไม่ผู้คนหัวเราะเมื่อเห็นพวกเขาติดกันเป็นเส้นตามหางของหงพวกเขาทั้งหมดเดินไปที่วังด้วยกัน ผมเกือบถึงวังแล้วไม่รู้จะทำอะไรต่อดีนะทีนี้ทันใดนั้นก็มีรถม้าทองคำที่งดงามผ่านมาใกล้กับพวกเขาข้างในนั้นเป็นที่รักของอาณาจักรเจ้าหญิงลีอาเธอเป็นหญิงที่สง่างามมากแต่เธอหยุดยิ้มหรือว่าหัวเราะตั้งแต่แม่ของเธอจากไปแต่เมื่อเธอมองเห็นผู้คนกำลังติดอยู่ด้วยกันในลักษณะที่น่าตลกในปลายหางของหงเธอหัวเราะออกมาจนดังลัน่น อนนี่มัะไรกันนเี่่ยชางงแปลกะจรริๆาชาได้ข่าวว่าเจ้าหญิงของเขาหัวเราะออกมาเขาจึงส่งคนไปพาตัวคนที่ทําให้เธอหัวเราะมาและเมื่อพวกเขาเข้ามาและพระราชาเห็นเขาหัวเราะออกมาดังลั่นโอ้โฮโฮโฮโอร่อยกันเนี่ยนี่มันตลกกว่าทุกอย่างที่ฉันเคยพบปีเตอร์รู้สึกสนุกกับเรื่องทั้งหมดนี้ <nut advisory> เขามองกลับไปยังคนที่โกรธและสับสนที่ได้รับความยุ่งเหยิงนี้ <Okay. S 1> เขารู้สึกเสียใจกับพวกเขามากเราคิดว่าต้องปล่อยให้พวกเขาเป็นอิสระปล่อยพวกเขาไปหงที่สวยงามและในที่สุดพวกเขาทั้งหมดก็ถูกปล่อยจนเป็นอิสระโอ้โอ้โอ้พวกเขาทั้งหมดโล่งใจมากแต่ก็ยังหวาดกลัวอยู่ทั้งหมดวิ่งออกมานอกวังและร้องออกมาสุดชียว ถ้างั้นเจ้าก็เป็นคนทาให้ลูกสาวของข้าหัวเราะสินะข้ามีความสุขมากที่ได้ยินเสียงหัวเราะของเธอออกมาหลังจากหลายปีมานนี้ข้าไม่รู้จะตอบแทนเจ้าอย่างไงดีเออแล้วแต่ท่านจะกรุณาฝ่าบาทเออพระเจ้าช่างเป็นหงส์ที่งดงามซะจริงๆมันทาเหมือนจะหิมะเลยนะฉันขอจับหน่อยได้ไหมเออได้แน่นอน ในขณะที่เธอสัมผัสมันเธอมองไปที่ปีเตอร์แล้วเธอเห็นว่าเขาหล่อเพียงใดเจ้านมมีอะไรที่เจ้าอยากได้เป็นการตอบแทนที่ทําให้ลูกสาวข้าหัวเราะออกมาไหมเออฟาบาดข้าไม่ต้องการสิ่งใดนอกจากได้แต่งงานกับลูกสาวที่งดงามของท่านเสียงหัวเราะของเธอปราบกับระคังที่กังวานอ๋ออย่างนั้นเหรอข้าไม่แน่ใจว่าจอ ท่านพ่อคะหนูต้องการแต่งงานกับเขาคะ่ะเพราะว่าเขาเป็นผู้ชายคนเดียวที่ทำให้หนูหัวเราะได้ดังนั้นในวันต่อมาเจ้าหญิงลีอาและปีเตอร์ก็ได้แต่งงานกันในพิธีที่ยิ่งใหญ่ลีอาคุณเป็นผู้หญิงที่งดงามที่สุดที่ผมเคยเห็นและรอยยิ้มของคุณทำให้โลกทั้งใบของผมสว่างขึ้นมาผมสัญญาว่าจะทาให้คุณหัวเราะและยิ้มตลอดไปออฉันรักคุณคะ่ะปีเตอร์ด้วยเหตุ น, นี้ พวกเขาจึงอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและสำหรับปีเตอร์ตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาไม่ต้องเป็นคนที่สำคัญอย่างใครๆแค่เป็นตัวของตัวเองไม่เพียงแต่ทำให้เขามีความสุขแต่มันยังทำให้คนรอบข้างของเขารู้สึกดีขึ้นไปอีกด้วย